กราบลาหลวงตาผมอยู่กับหลวงตามหาบัวเพียงช่วงสั้นๆเท่าที่เวลาจะอำนวยให้ผมได้เห็นถึงความเป็นพระผู้บริสุทธิ์ของท่านโดยไม่ต้องสงสัยภายใต้บารมีของท่านความร่มเย็นในธรรมและความเด็ดขาดของท่าน ทำให้ผมมีความสุขและค้นพบความจริงและแก่นแท้ของศาสนาโดยไม่มีความลังเลดีใจเป็นที่สุดที่ได้มีโอกาสอยู่ที่วัดท่านแม้มีเวลาน้อยนิดผมคิดว่าไม่ใช่เป็นความบังเอิญที่ต้องมาอยู่กับท่านจากนี้ไปผมจะต้องกลับออกไปต่อสู้กับทางโลกต่อไปอีกการไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุดูโทรทัศน์ไม่มีเรื่องอื่นภายนอกวัดมารบกวนขณะอยู่วัดถือเป็นความสุขที่สุด วันที่ผมจะกราบลาสิกขากับท่านและกราบขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาให้ผมได้ใช้เวลาสั้นๆอยู่ที่วัดผมไปกราบท่านที่ศาลาขณะท่านรอจะออกบิณฑบาตในตอนเช้าโดยมีท่านนพดลคอยดูแลผมอยู่เมื่อกล่าวลาสิกขาได้เพียงสองสามประโยคท่านบอกให้หยุดและบอกว่าให้ตั้งใจซื้อใหม่อย่าท่องโดยความไม่ตั้งใจมิฉะนั้นมันไม่ขาดจากความเป็นพระนะ ความละเอียดอ่อนของท่านทาให้ผมต้องหยุดและตั้งใจอธิษฐานใหม่เปล่งวาจาขอลาศิกข า, ากับท่านเป็นครั้งที่สองท่านอวยพรให้ผมหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดคารวาสแล้วท่านได้ให้ผมเกิดใหม่เป็นคนใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมเรียกท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ได้อย่างเต็มปากเต็มคาในเย็นวันนั้น ท่านได้เดินทางเข้ากรุงเทพโดยทางรถไฟผมมีโอกาสไปส่งท่านที่สถานีรถไฟอุดรท่านเข้ากรุงเทพเพื่อโปรดสัตว์เปิดโอกาสให้ญาติโยมที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญกับท่านเพื่อสงเคราะห์โลกผมรอส่งท่านจนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีจากนั้นผมได้ตระเวณไปเกือบทุกที่ที่อยู่ในสายของพระกรรมฐานตลอดภาคอีสานตามที่ได้รับการบอกเล่าจากพระที่วัด สวนแสงธรรมเมื่อวันวานเมื่อกลับถึงกรุงเทพได้มีโอกาสเข้ากราบท่านที่สวนแสงธรรมซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินให้สร้างขณะนั้นถนนพุทธมณฑลสายสามยังไม่ได้สร้างยังเป็นทางลูกรังแคบแคบแยกออกมาจากซอยเล็กที่มาจากถนนพุทธมณฑลสายสองถนนลาดยางหน้าทางเข้าเป็นสะบัร์กว้างใหญ่ ทุกเช้าหลวงตาจะออกบินธบาตจากสวนแสงธรรมเดินเลี้ยวออกไปตามถนนลาดยางเร่ยไปประมาณ2กิโลเมตรเสร็จแล้วจึงกลับเข้าวัดญาติโยมคอยใส่บาทกันอยู่สองข้างถนนทำให้รถติดเป็นระยะในตอนเช้าผู้ที่มาใส่บาทและไม่ได้อยู่ฟังเทศจะใส่อยู่ที่ริมถนนหน้าวัดเสร็จแล้วท่านยืนให้พรข้างถนนทุกคนห้อมล้อมท่านเป็นวงเพื่อรับพร ภาพอาจารย์ให้พรลูกศิษย์ทำกลางธรรมชาติเป็นภาพที่หาดูไม่ได้แล้วทุกวันนี้ทุกคนกล่าวสาธุด้วยเสียงอันดังพร้อมกันทุกครั้งผู้คนผ่านไปมาต่างยกมือท่วมหัวไหว้ท่านคนชุดใหญ่ริมถนนแยกย้ายกันกลับไปทำงานส่วนหลวงตาเดินเข้ามาตามถนนลูกรางหน้าวัดลูกศิษย์บางส่วนยังปักหลักเหนียวแน่น มีบางคนใส่บาตรที่ถนนด้านนอกแล้ววิ่งมาต่อแถวหน้าวัดเพื่อใส่บาตรและรับพร อ, อีกรอบก็มีผู้คนหน้าวัดยืนเป็นแถวยาวต่มีขันใส่อาหารเตรียมใส่บาตรยืนแถวต่อเนื่องจากข้างนอกถนนยุคนั้นมีพระตามท่านมาจากอุดรไม่มากเพียงสี่รูปเท่านั้นเท่าที่จาได้มีท่านดิกและท่านอาจารย์เพียนบางครั้งอาจมีพระรูปอื่นมาร่วมด้วยคือหลวงปู่เจียวัดป่าภูริทัศ ศาลาที่สวนแสงธรรมเมื่อ20ปีก่อนเป็นศาลาไม้ยกสูงเหมือนศาลาที่วัดป่าบ้านตาดชั้นล่างใช้งานได้ตลอดพื้นชั้นล่างเท ป, ปูนซีเมนขัดมันทั้งหมดข้างบนใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำศาลาและเป็นที่เก็บของแคร่ที่หลวงตานั่งฉันเป็นแคร่ไม้ตีเตี้ย ต, ต, ต่อกันสี่ตัวสูงจากพื้น40เซนติเมตรกว้างประมาณหนึ cm, ่งเมตรซนติเมตรทาสีโอ๊แดงผนังด้านหลัง หลวงตาปูด้วยไม้อัดาสีน้ําตาลเข้มอาหารที่ญาติโยมนํามาถวายนอกจากที่รับบาดมาแล้วยังมีอาหารอื่นๆที่จัดเตรียมไว้วางเรียงรายอยู่ข้างหน้าตลอดความยาวของแคร่ที่นั่งของหลวงตามีคนคอยจัดถวายท่านใส่ในบาดของท่านและพระทั้งหมดผู้คนที่มาคอยฟังเทศและใส่บาดยังไม่มากเท่ายุคปัจจุบันพอนับคนได้วันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดราชการ จึงจะมีคนมากขึ้นการจัดอาหารถวายพระทุกเช้าจะมีการจัดรวบรวมแล้วแยกออกเป็นของคาวของหวานและเครื่องดื่มถวายเป็นอย่างย่างสะดวกในการจัดโดยมีคุณเจนและกลุ่มลูกศิษย์เป็นผู้ทําโดยไม่มีใครเป็นคนสั่งการใครถนัดทาอะไรก็ทํากันไปตลอด20กว่าปีมานี้ก็ยังเป็นคนชุดเดิมคือพิตรีรัตศักตาสันติ และอีกลหลายหคนที่มีความจงรักภักดีไม่เสื่อมคลายมีคนเก่าแก่อีกเป็นจํานวนมากที่มาเป็นประจําเช่นพี่พิพัฒน์พี่หม่อมเลี้ยงพี่ปุกพี่นิดพี่กรมพี่ถาวราคุณกินก่ายคุณเฉลียวซึ่งมักจะพบกันเกือบทุกวันต่างคนต่างมุ่งมาทําบุญและดูแลหลวงตาผลัดกันมาโดยไม่ขาดช่วงใครว่างก็มาไม่ว่างก็งด ภาพที่เห็นจนเป็นเรื่องปกติที่จะต้องปฏิบัติโดยไม่เคอะเขินคือการล้างเท้าหลวงตาหลังจากท่านกลับจากบินทบาตและจะเข้ามาในศาลาท่านจะล้างเท้าหน้าศาลาจะมีพวกเด็กๆมาห้อมล้อมคอยดูแลล้างเท้าและเช็ดเท้าให้ท่านเป็นกลุ่มเป็นภาพที่น่าดูที่เห็นเด็กๆคอยเฝ้าดูแลท่านตั้งแต่อย่างเล็กๆ เ, เดี๋ยวนี้ทุกคนโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วยังคงเห็นมาใส่บาตรท่านอยู่เป็นประจำ คนแก่ๆที่อายุมากไม่สามารถนั่งพับเพียบได้ถนัดแล้วเนื่องจากสังขาและสุขภาพไม่อำนวยยังหาเก้าอี้มานั่งฟังเทศของท่านอย่างสม่ำเสมอเป็นศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ที่มีต่อท่านยังไม่เสื่อมคลายมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นมันเต็มเติอนอยู่ในหัวใจของศิษย์ทั้งหลายหากได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงท่านน้ำตาของความปีติจะเอ่อทนขึ้นมาทันทีเพราะความเมตตาของท่าน เปรียบเสมือนแสงของธรรมะที่อุ่นเย็นดังเช่นแสงจันทร์ที่ปราศจากความร้อนแรงศาส์ส่องให้โลกทั้งโลกสว่างสวยฉันใดก็ฉันนั้นเสียงธรรมจากสวนแสงธรรม หลังจากท่านฉันอาหารเสร็จระทุกรูปที่ร่วมฉันอยู่แยกย้ายกันไปแล้วแคร่ถูกเช็ดถูทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทุกคนจะรีบเข้ามาห้อมล้อมหน้าท่านเพื่อรอรับข้าวกลบนบาสเพื่อเป็นสิริมงคลรอรับเครื่องดื่มที่ท่านฉันเหลือเอามาเป็นยาและเป็นน้ำมนต์พวกเราคิดอย่างนั้นจริงๆจึงมีคนมาห้อมล้อมขอแบ่งปันกันไปตามความต้องการของแต่ละคนจากนั้นจึงพร้อมใจกันฟังเทศจากท่าน โดยไม่มีเครื่องขยายเสียงต่อมาจึงได้จัดหาเครื่องขยายเสียงเล็กๆพอให้ได้ยินกันทั่วศาลาและอัดเทปส่งกลับไปบ้านตาดเพื่อแจกจ่ายกันออกไปเรืแรกที่ส่วนแสงธรรมไม่ได้มีการบันทึกเทปมีแต่ที่วัดป่าบ้านต่าเท่านั้นที่บันทึกเทปออกแจกจ่ายให้ญาติโยมเอาไปฟังโดยท่านน้อยเป็นผู้ดูแลและนำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือในโอกาสต่างๆให้แพร่หลายออกไป ผู้ที่เข้ามาทํางานดูแลการอัดเสียงเป็นคนแรกของสวนแสงธรรมก็คืออาจารย์ธนิตฐศรีกลิ่นดีนักดนตรีวงคาร์บาลบรรเลงเพลงเพื่อชีวิตที่โด่งดังแต่อาจารย์กลับชอบเข้าวัดจึงถูกจับเข้ามาเป็นผู้ควบคุมเสียงเป็นคนแรกต่อมาคุณเหลียงรับหน้าที่แทนเพราะอาจารย์ติดการแสดงออกทัวทั่วประเทศเหลียงเป็นเพื่อนสนิทของอาจารย์จึงรับหน้าที่ต่อมา20ปีเศษแล้วไม่ได้เปลี่ยนคน เหลียงเคยมีความคิดที่จะหนีจากหน้าที่นี้เพราะอยากนอนตื่นสายบ้างและไม่อยากผูกพันให้ต้องเป็นภาระหน้าที่ประจำจึงหาทางออกโดยเขียนรายละเอียดติดเครื่องขยายเสียงววาให้คนอื่นทำต่อไปพร้อมที่จะกราบลาหลวงตาขอพ้นจากหน้าที่เช้าวันนั้นหลวงตาเทศให้เหลียงฟังโดยเฉพาะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เหลียงไม่เคยหยุดงานเลยแม้กระทั่งวันเดียวก็ไม่เคย เหลียงทำงานรับใช้หลวงตาด้วยความเต็มใจในทุกๆแห่งที่ท่านไปเทศจะมีเหลียงเป็นคนดูแลและจัดการทําสําเนาส่งต่อไปให้วัดป่าบ้านตาดงานบุญทุกงานทั้งที่วัดและที่อื่นที่มีหลวงตาเหลียงไม่เคยขาดทั้งยังชักชวนลูกหลานและเพื่อนๆ เ, เ, เข้าวัดเพื่อหาความสุขความสงบเหลียงจเจริญขึ้นเรื่อยๆในธุรกิจของตัวเองด้วยบุญกุศลของเหลียงที่ได้รับใช้หลวงตา หลวงตาตอบให้วันหนึ่งที่สวนแสงธรรมขณะที่กำลังถวายอาหารแด่หลวงตาอาหารแต่ละชนิดผ่านมือไปเรื่อยๆไม่หมดสิ้นเมื่อเห็นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ในใจนึกไปถึงอาหารที่พระฉันไม่ได้ว่ามีกี่อย่างไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อเสือเนื้อจระเข้เนื้องูเนื้อสุนัขเนื้อมนุษย์เนื้ราชสี แล้วก็วนกลับมาที่ช้างเสือเหลืองหมีเสือดาววนไปวนมาก็นึกได้แค่เนี้ยนับได้ 8-9 ถึงชนิดแล้วอยู่ๆหลวงตาก็พูดขึ้นมาขณะที่รับประเคนอาหารว่าเนื้อที่พระฉันไม่ได้มี13ชนิดแล้วก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงเนื้อที่เจาะจงให้ฆ่าเนื้อที่เห็นเขาฆ่ า, าเป็นเนื้อดิบเนื้อมนุษย์ช้างมา้าสุนักงูราชสีเสือโครงเสือเหลือง หมีเสือดาวนั่งตะลึงอยู่พักใหญ่ๆแง้มมองหน้าท่านท่านทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ท่านแจกแจงให้เห็นแต่ละชนิดอย่างละเอียดท่านรู้ได้อย่างไรเนี่ยเราคิดอยู่ในใจแท้ๆท่านตอบมาเปรี่ยงเลยกราบท่านเดี๋ยวนั้นขนลุกสู้ท่านรู้ไหมกระทั่งเราคิดอะไรอยู่เราจะหลบท่านไปพ้นได้อย่างไรบางครั้งขณะประเคีอาหารให้ท่าน อารามรีบร้อนเพราะของที่จะประเคนเยอะมากท่านต้องเอื้อมมารับประเคนสุดแขนของท่านท่านหยุดและสอนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนว่าเวลาจะประเคนของให้พระต้องประเคนให้ใกล้มือพระที่สุดอย่าให้พระต้องเอื้อมจนสุดมือเพื่อรับของประเคนมันผิดศีลเพราะจะกลายเป็นว่าพระมีความต้องการมากมันไม่งาม อยู่ใกล้ท่านท่านจะสอนหากเห็นว่าผิดสายตาที่ท่านมองนั้นคมกริบทะลุปรุปโปร่งไปถึงไนไหนหลบท่านไม่พ้นแรงอธิษฐาน ยามใดที่เกิดการท้อแท้เคยตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านจะได้ผลตอบกลับมาทันใดอย่างเช่นในการถ่ายทมบันทึกเทปเรื่องชีวิตที่วัดป่าบ้านตาดนั้นถ่ายทรมาจนเสร็จแล้วเทปมีความยาวเกือบสองชั่วโมงนำเทปมาตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสมบูรณ์ที่สุดโดยเชิญในแพทย์อวยเกศสิงห์ลูกศิษย์ก้นกุติของท่านและท่านอาจารย์บุญกู้วัดอโศการาม ร้อมกับคณะถ่ายธรรมมาพิจารณาสองวันเต็มเต็มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ขาดสาระสำคัญและจบไม่ลงวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันอังคารหลังจากส่งท่านอาจารย์บุญกู้และคุณหมออวยแล้วได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านว่าท่านพ่อครับผมท้อถอยเต็มทนแล้วครับเรื่องไม่ลงตัวสักทีหาคนช่วยไม่ได้พระที่วัดไม่ให้ความร่วมมือ เกรงว่าหลวงตาจะตำหนิพรุ่งนี้วันพุธผมจะขึ้นมาวัดมาถ่ายทาอีกครั้งหากไม่ได้เรื่องผมต้องถอดใจทิ้งงานแล้วล่ะครับขอท่านพ่อเมตตาด้วยเถิดครับผมอธิษฐานจิตแล้ววันรุ่งขึ้นเดินทางโดยเครื่องบินพร้อมกับช่างกล้องถ่ายทมขึ้นไปที่วัดป่าบ้านตาดทันทีที่รถวิ่งพ้นประตูวัดเข้ามาถึงหน้าศาลาท่านน้อยวิ่งอย่างรวดเร็วจนจีวรปลิวมาพร้อมกับพูดว่า คุณหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์ประชุมพระทั้งหมดเมื่อคืนแจ้งว่าให้มาดูเรื่องการถ่ายทำบันทึกเทปของคุณหลวงผิดถูกถือเป็นเรื่องของพระทั้งวัดใครจะเชื่อผมและคณะคนลุกสู้ไปทั้งตัวไม่เชื่อหูตัวเองต้องถามย้ำกับท่านน้อยว่าท่านพูดจริงหรือไม่ผมเพิ่งตั้งจิตอธิษฐานขอท่านช่วยให้สำเร็จผมหมดแรงแล้วท่านน้อยหัวเราะบอกว่าท่านสั่งจริง วันนั้นได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งถ่ายทําได้เสร็จปิดกล้องได้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ท่านรับทราบคําอธิษฐานของผมได้อย่างไรยังรู้สึกตรึงใจอยู่จนทุกวันนี้เทปชีวิตที่วัดป่าบ้านตาดได้แจกจ่ายออกไปเป็นจํานวนมากเป็นเวลา20ปีมาแล้วที่เผยพแพร่ออกไปโดยความร่วมมือจากลหลายๆท่านช่วยส่งเคราะห์จัดหาเทปมาให้และอาจแจกต่อต่อกันไป และมีผู้ดัดแปลงเป็นว c ซีดีและแจะกจ่ายออกไปเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นวิทยาทานจนถึงทุกวันนี้เป็นภาพที่หาดูไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบันการถ่ายทำสมัยนั้นท่านยังเข้มงวดไม่ให้ใครถ่ายภาพท่านได้ง่ายๆท่านมีวิธีการที่จะบอกกับทุกคนว่าท่านอนุญาตให้ถ่ายได้โดยท่านส่งเสียงถามที่ศาลาวัดป่าบ้านตาดว่าคุณหลวงถ่ายไปทาไมต้องส่งเสียงตอบท่านจากหน้าศาลา ซึ่งห่างจากท่านสุดศาลาไกลมากด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าถ่ายทำชีวิตป่าบ้านตาดเพื่อเป็นวิทยาทานแก่นักเรียนและผู้สนใจเรื่องของวัดครับตอบท่านแล้วท่านทำเฉยไม่ถามต่อนั่งเคี้ยวหมากไปเรื่อยๆคนเต็มศาลานี่คืออุบายของท่านให้คนทั่วไปรู้ว่านี่ท่านอนุญาตคณะจึงถ่ายภาพได้อย่างสะดวก ผลสำคัญที่ต้องทำสารคดีเรื่องนี้เพราะต้องการให้ทุกคนรู้ว่าพระป่าอยู่กันอย่างไรมีความเรียบง่ายไม่เก็บสะสมทรัพย์สินที่มีผู้ร่วมทําบุญกับท่านมาเป็นจำนวนมากมีเงินท่านก็เอาออกไปสงเคราะห์โลกทั้งสิน้นตลอดเวลาที่อยู่ที่วัดคิดอยู่เสมอว่าควรต้องเผยพร่างานของท่านวัดของท่านให้คนทั่วไปได้รู้ว่าวัดป่าบ้านตาดเป็นอย่างไรเพื่อเปรียบเทียบกับวัดอื่นๆในเมือง ที่มีความย่อหย่อนอ่อนแอมากขึ้นทุกขณะจึงได้กราบเรียนขอท่านขณะที่ท่านลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านคุณหลวงพร้อมกับขอทำประวัติหลวงปู่มั่นเป็นเทปวิดีโอในเวลาต่อมาขณะที่ท่านเดินกลับกุฏิหลังชั้นอาหารแล้วได้มีโอกาสเดินไปส่งท่านท่านได้กล่าวเบาๆว่าคุณหลวงพระอรหันต์เท่านั้นที่จะทาประวัติของพระอรหันต์ได้ ผมเข้าใจทันทีและหยุดโครงการประวัติหลวงปู่มั่นตั้งแต่บัดนั้นท่านได้ย้ำกับผมสองครั้งสองหนต่างวาระด้วยความหวังดีเพราะเกรงว่าจะเป็นการล่วงเกินองค์ท่านหากผิดพลาดแม้แต่น้อยจะเป็นบาปติดตัวตลอดไปซึ่งก็เป็นความจริงทำให้ไม่กล้าที่จะคิดทำต่อไปเพราะจิตไม่ละเอียดพอการที่ท่านเรียกผมว่าคุณหลวงเนื่องจากผมได้นิมนต์ท่าน ไปฉันอาหารที่ห้องอาหารบ้านคุณหลวงซึ่งตั้งตามชื่อที่เพื่อนๆเรียกผมขณะศึกษาอยู่ต่างประเทศขณะนั้นกําลังเป็นหนุ่มไฟร้อนแรงชอบสูบกล้องยาเส้นตามสมัยนิยมหลวงตาจึงเรียกผมว่าคุณหลวงตั้งแต่นั้นมาคุณหลวงเป็นชื่อเล่นที่เพื่อนๆเรียกจนติดปากเมื่อ42ปีที่แล้วหลายคนสงสัยว่าสมัยเนี้ยยังมีคุณหลวงหลงเหลืออยู่อีกหรอ อายุคงมากกว่า 80-90 ปีแล้วกระมังผมเลยต้องเป็นคุณหลวงของหลวงตาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา